มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัคอุปัชชชาณนนะปัญหาที่เก้า่า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 เปรียบปานดุดคฤหะบดีชาวนาวีชานิปถวิยังปฏิทถาเปตวาวานพืชเข้าเปลือกลงในนาได้ฝนฟ้าชุกช้ำจำเริญไปคฤหะบดีนั้นจะเข้าใจหรือไม่ว่าธั ญ, ญพืชของตนจะมีผลมากณนะบพิษพระราชสมภารพระเจ้ากรุงมิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าอามะพันเต